เรยใใใใายจะได้ปสสสู่สวลก็เข้ามาสู่ช่วงเคส ด, ดี้เลยจ้าลูก คือผู้โชคดีที่สุดคนหนึ่งที่ได้มาพบความจริงของชีวิตใต้ร่มงเงาแห่งความเาา ม, มตตาของเดบุณหลองพ่อในวันนี้จึงอยากยกตัวอย่างเส้นทางแห่งชีวิตของตัวลูกแ ล, ล้วก็ครอบครัวให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนทั่วโลกครับแนอดีตครอบครัวของลูกก็ไม่ได้พังพร้อมเหมือนคนอื่นๆคุณปู่ลูกเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากกวางตุง้ง แล้วก็มาตั้งร็กรากที่มาเลเซียเป็นปู่เป็นคนเจ้าชู้มีภริยาที่อยู่บ้านเดียวกัน3คนและลูกอีก15คนเล่นฟุตบอลได้เลยนะมีกรรมาการเสร็จไลแมนส่วนภริยาลับและลูกที่เกิดจากภริยาลับนั้นไม่มีใครทราบจำนวนที่แท้จริงว่ามีจำนวนเท่าใดกันแน่ คุณยาลูกเป็นภริยาคนที่สองของคุณปู่เมื่อคุณพ่ออายุได้เจ็ดขวบคุณยาลูกก็ถูกฆ่าตายอย่างไม่ทราบสาเหตุส่วนคุณปู่ก็ไม่ค่อยจะได้กลับบ้านเพราะท่านมีบ้านเล็กบ้านน้อยมากเลือกเกินทำให้คุณพ่อมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบากมากต้องเติบโตเป็นอย่างโดดเดี่ยวอดมือกินมือ คุณพ่อจึงต้องไปเป็นกรรมกรรับจ้างแบกหามเพื่อหาเงินแลกกับอาหารแล้วก็ค่าเราเรียนจนกระทั่งาอายุได้20ปีก็ได้รู้จักแล้วแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็มีลูกด้ยวยกันสามคนลูกเป็นลูกคนกลางครับคุณแม่ประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กหน้าแปลกว่าเด็กที่คุณแม่รับเลี้ยง พ่อแม่จะมาจ้างให้เลี้ยงระยะยาวคือตั้งแต่เกิดจนโตแต่ก็ไม่ถึงกับส่งให้คาหมหาลัยเลยเนะโตถึงประมาณสองขวบพอจะพูดได้เดินได้ซึ่งคุณแม่ก็รักเหมือนลูกตัวเองเลยนี่จิตใจท่างงามคุณแม่จะทุกข์ใจทุกครั้งที่เมื่อพ่อแม่เด็กมารับเด็กกลับไปคือท่านอยากมีลูกเยอะๆนะ เพราะความผูกพันที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตมาถึงตอนนี้มันต้องแยกจากไปคุณแม่ก็ได้แต่ทำใจแล้วก็ได้แต่บอกว่าให้ช่วยดูแลตัวเองให้ดีแล้ววันหนึ่งเราคงได้กลับมาพบกันในช่วงสี่ปีที่ผ่านมานี้คุณแม่จะมีการปวดบวมแดงไปทั้งตัวแต่ละวันจะมีการรุนแรงไม่เท่ากัน บาวันก็ยกแขนขามไม่ได้โดยที่คุณหมอก็ไม่ทราบสาเหตุของอาการป่วยปัจจุบันทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้หันจากผู้ไม่มีศาสนามา น, นับถือพุทธศาสนาแบบมหายานตามการชักนำของลูกท่านังสองได้ศรัทธานในมุคคณะวัดฝโกงสันของท่านสิงหินตาซือซึ่งชาวมหายานส่วนใหญ่จะตั้งความปรารถนาให้ไปเกิดณแดนสุขาวดีของพระอมิตพะพระ พุทธเจ้าครับคุณนางลูกมีชีวิตในวัยยาวที่ลำบากเหมือนคุณพ่อพอคุณย่าเสียชีวิตแล้วคุณปู่ก็ไม่ได้มาคอยดูแลแต่ว่าเมื่อโตขึ้นคุณน้าก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจากการทำมาให้กินอะไรอทูกหวย บ, ยบย่อยๆเอ๊ะเก่งอย่างนอโชวหวย ถ้าโชวหวยโชหวยอย่าไปเอาถ้าโชวหวยอย่าไปซื้อนะถ้าโชวหวยเออมีสิทธิ์ถูกแต่คุณอา จ, จะใช้เวลาหลังเลิก ง, งานมานั่งดื่มเหล้าจนเมาเ <N> อาแล้วกันเมาแล้วก็จะกลับบ้านไปนอนตื่นเช้า ก, ก็ไปทํางานเลิก ง, งานก็นมาดื่มเหล้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยจนในที่สุดคุณนาก็ได้มาเสียชีวิต ด้วยอุบัติเหตุรถชนขณะเดินทางกลับบ้านเมาหลังจากที่คุณอาเสียชีวิตแล้วลูกสาวคนโตของคุณอาก็ฝันว่าคุณอาได้ลงมาจากสวรรค์ลงมาจากสวรรค์มาเยี่ยมไปฝันใหม่มั้งและได้มาบอกให้มูย่าถือสิงหินเจฮน ะ, ะแต่เป็นมนุษย์นึกไม่ออกมาบอกมูยา่าถือสิงหินเจเพื่อที่จะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้น ชั้นดุสิท์ด้วยกันอเ ม, มาตายนี่ไปอยู่ชั้นดุสิท์เสียงริญาและลูกๆของคุณาก็เชื่ออกุณาได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดูสิทกับพระศรีอริยะเมตไตรจริงๆไอ้ความเชื่อกับความใช่นะมากระดนกันเลเชื่อนะเชื่อไปเถิดแต่ใช่ไม่ใช่ในเรื่องอก็ดูปฏิป ท, ทาสิถ้าเป็นมนุษย์เมาอย่างงี้ตลอดเลยหวยเ ง, งี้เมาเ ง, งี้ และจะไปอยู่บนชั้นดุสิตั้นนี้พระครอบครัวขอ ง, ของอได้นับถือละทิอีก้วนเต้าสิ่งลาทินี้มีความเชื่อว่าพระศรีอริยะเมตตายเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สูงสุดหนักขึอีกอสงสัยคงรา อ, องมัง้งจะแล้วก็จะส่งให้าศาสนาองค์ต่างๆของทุกาศาสนาลงมาในโลกเพื่อโปรดสอนสรรพสัตว์ องศาหานักกวบไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอปัจจุบันนี่ภาษาอารยธรรมใจตามความเชื่อของเขาเนีจ้ะท่านก็ส่งม า, มาพระเยซูก็อง์นี้ส่งมาพระธม บ, บิบิฮัมมัดองนี้เหมือนกันส่งมาก็ต้องไ่พูดให้เขาฟังมึงสิเนี่ยรวมถึงผู้กอ่อตั้งลัทธินิกายและนักปัญญาต่างๆเช่นคงจื้อเล่าจื้อคือทุกความเชื่อส่งม า, มาหมดเสร็จในที่สุดแล้วทุกทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร จะได้กลับไปอยู่กับพระศีลอริยเมตตายอย่งสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยกันทั้งสิน้นแล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจากการเวียนว่ายแต่เกิดแปล ว, ว่าความเชื่อในคำว่าสวรรค์ชั้นดุสิตคือนิพพานสิ้นสุดนี่นี่เหไม่จะมันจะเพี้ยนกันไปใหญ่เนี่ยตัวลูกเองแม้จะเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ในใจลึกๆตั้งแต่จําความได้ลูกก็มีความรู้สึกอยากที่จะ รู้จักกับพระพุทธศาสนาและการนั่งสมาธิมากทว่าในประเทศมุสลิมเช่นมาเลเซียการจะหาหนังสือทางพุทธศาสนามาอ่านเป็นเรื่องยากนักจนกระทั่งลูกเด็เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาส ร, รู้จักัาษาคา ข, าขมุลนิติชอจีมุลนิตินี้ก่อตั้งกันโดยท่านภิกษุณีเจิ้งเอียนชาวไต้หวันปัจจุบันมีสมาชิกกว่า5ล้านคน กระจายใน38สาขาทั่วโลกมีมโนบณิธานที่จะช่วยเหลือทุกข์ของมนุษย์ให้หมดให้หมดไปจากโลกโดยเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเช่นแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์หรือสองครามทั้งยังสนับสนุนงานของประเทศต่างๆในด้านการศึกษาการแพทย์เป็นต้นคือท่านมีความเชื่อคือมโนบณิธานดีแต่จะช่วยมนุษย์พ้นทุกข์ แต่ช่วยในการให้ทรัพย์สินเงินทอหรือสองเคราะห์โลกนี้มันไม่พ้นหรอกแต่ความเชื่อของท่านอย่างนั้นแล้วก็มีผู้นับถือศัตด์กันเยอะรูปประทับใจในมโนบนิธานนี้จึงได้รวบรวมเพื่อนนักศึกษามาเชื่อมสายบุญกันโดยการตั้งชมรมพุทธศาสตร์แห่งองค์กรถือจี้ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยคือเจของแคสซี่เป็นผู้รวบรวมสายบุญ เหมือนเรามีชมรมพุทธอะไรต่างๆในมหาลัยต่างๆอย่างนั้นแล้วก็แต่เขาไม่มีการอบรมธรรม ท, รมทายาทนะพระอาจารย์กับพี่เลี้ยงเนี่ยจะได้บุญเยอะเลยในการที่ทําหน้าที่ถึงเนี้เพราะเหมือนจับปูใส่กระดง้งน่ะอปูบางตัวน่เข้อกรโลกเห็นนั่งเรียบร้อยนี่เป็ธรรมดาหรอว่านี้งานอาที่ย์ลูกกาลังรเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่ง ลูกได้อ่านเจอข่าวงานสลายร่างคุณยาอาจารย์นี่ไปแล้วจากวรลส า, าเรเล่มหนึ่งในมาเลเซียเมื่อ อ, อ่านแล้วลูกสะดุดใจตรงคำว่าหนึ่งไม่มีสองและวิชาธรรมกายแล้วก็แปลกใจมากเมื่อทราบว่าจะมีพระสง์จากทุกวัตถุประเทศมาร่วมงานด้วยลูกจึงคิดไว้ว่าสักวันหนึ่ง จะต้องทราบประวัติของคุณยายและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกายให้ได้โอ้จะรู้เรื่องราวเกี่ยววิชาธรรมกายมันไม่อยากจะเรียนวิชาอื่นนะเมื่อลูกเรียนจบระดับอนุปริญาจากมาเลเซียแล้วลูกจึงตัดสินใจไปเรียนต่อที่ไต้หวันไปจะได้มีโอกาสไปกราบท่านเจ้าเอี่ยนผู้กระตั้งมลนิธิสือจี้สือจี้สุดท้าความปรารถนาของลูกสมหวัง ปัจจ้าพลูกได้มาเป็นประธานชมรมพุทธแห่งองค์กรฉือจี้ระดับภาคใต้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการเผยแผ่พุทธศาสนาในหมู่เยาวชนและออกช่วยเหลือสังคมในใต้วันถึงแม้ว่าลูกจะมีความสุขกับการได้อาได้ออกช่วยเหลือสังคมเพียงใดแต่ลึกๆลูกกลับรู้สึกว่าใจลูกยังว่างอยู่ยังต้องตามหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เพื่อที่จะมาเติมเต็มให้กับชีวิตของลูกและคิดว่าการนั่งสมาธิน่าจะเป็นคำตอบสุดท้าย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ผู้มีบุญ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. จึงออกสแสวงหาและฝึกปฏิบัติธรรมแบบต่างๆแต่จนแล้วจะรอดลูกก็ยังไม่พอใจในวิธีการเหล่านั้นเลยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลูกเตเรียนวิชาจริยธรรมและวรรณกรรมจีนอาจารย์ก็ได้ พูดขึ้นมาลำพึงขึ้นมาเล่นลอยว่าตอนนี้นี่ยนะครูได้เรียนสมาธิกับพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาแรกเปลี่ยนจากเมืองไทยลำพึงแค่นี้แล้วท่านก็สอนต่อไปโดยไม่กล่าวถึงเรื่องนี้อีกเลย<อ>คือลำพึงเผื่อว่าผู้มีบุญเนี่ฟังแล้วสะดุดหูแต่ได้แจ้งลูกตอนนั้นเกิดความรู้สึกดีใจมาก เหมือนกำลังจะได้พบสิ่งที่ตามหาอยู่ทั้งชีวิตมาหมดค่าเรียนลูกจึงรีบไปสืบหาพระอาจารย์รูปนั้นจนพบลูกดีใจเป็นอย่างมากเพระอาจารย์อนุญาตให้ เ, เรียนสมาธิกับท่านได้หลังจะกนั้นลูกก็ได้เรียนสมาธิกับท่านเรื่อยมาและก็ได้มาเป็นนักเรียนของโรงเรียนอันดบาลฝันในฝันวิทยาผ่านอินเทอร์เน็ตลูกประทับใจ อในตัวคุณครูไม่ใหญ่มากแล้วเกินคุณครูไม่ใหญ่นี่นะอืเขิน่านดีไหมเนี่ยดีครับมีวิธีการแปลกใหม่ในการนำเสน อ, เ, อเรื่องรากรเดแทงรรมมาสอนพวกเรามีทั้งเพลงภาพและพูดทำให้รู้สึกเพลิดเพลินและก็จำเรื่องราวต่างๆได้ง่ายง่ายขึ้น ทั้งๆ ท, ทั้งลูกฟังภาษาไทยก็ยังไม่ได้แต่ฟังเรื่องราวออกเออแต่กลับไปนความรู้สึกว่าอืมอ่านดีไม่ดีเนี่ยดีคราลีลาและน้ําเสียงของครูไม่ใหญ่ดึงเดินลูกให้มาเข้าโรงเรียนอนุบาลทุกวันเลยลูกรู้สึกว่านี่แหละใช่เลยใช่ใชที่ลูกสแสวงหา จะกระทั้งเมื่อลูกปิดเทอมพระอาจารย์ก็ได้ชวนลูกมาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ไทยเปยพระอาจารย์แ ล, และพี่ๆก็จะเล่าและเปิโดโอกาสให้ลูกได้ซักถามเรื่องราวประวัติของมหาปูชนียาจารย์การสร้างบารมีและมโนบนิทานของหมูขคณะวัดพระธรรมกายทุกครั้งที่ฟังลูกจะรู้สึกปีติมากบ่อยครั้งที่เราคุยกันเพลินจะมารู้ตัวอีกทีก็นู่น รุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งแล้ว oh. คุยกันข้ามคืนเลย oh. และยิง่งในลงมือปฏิบัติรรมลูกก็พบแสงสว่างและความสุขภายใ น, ในตัวของลูกเองลูกรู้สึกทราบซึ้งในอนุภาของความยิ่งใหญ่ของวิชาธรรมกายและเชื่อมันอย่างยิ่งว่าวิธีการเดียวที่จะช่วยทุกข์ของมนุษย์ได้ hmm. คิดออกแล้วไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> คือวิชาธรรมกายเท่านั้นแต่เดิมสงเคราะห์โลกมา เธอเข้าใจว่านั่นคือการช่วยเหลือทุกมนุษย์คือเธอเป็นผู้ที่มีหัวใจพระโพธิษัตว์แต่ว่าเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ในสุดก็มาพบตรงนี้ลูกก็ได้ตางจิตอธิษฐานว่าขอให้ลูกได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ทั้งสามท่านไปทุกภพทุกชาติเพราะลูกรู้สึกว่าได้ไปเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ลูกจะปล่อยมือไปได้อย่างไรแอ้ลูกตั้งใจที่จะนําสิ่งที่ดีที่สุดนี้ที่ลูกเจอนี้ไปบอกต่อให้กับพี่น้องชาวโลกผู้ยังรอคออยู่ลูกเชื่อว่าลูกมีบุญแล้วก็มีความสามารถในด้านการชักชวนบุคค น, นะลูกตั้งใจว่าครับไปมหาวิทยาลัยครั้งนี้จะไปเปิดชมรมพุทธแบบวัตถุมกาย ส, าส่วนชมรมพุทธแห่งองค์กรชื่อจี้ซึ่งลูกเป็นประธานอยู่ ลูกก็ได้มอบตาแหน่งแล้วก็อี้ให้แกรองประธานชมรมไปเรียบร้อยแล้วครับคือได้ทําตรงนั้นแล้วก็สมควรที่จะเลื่อนระดับนั่นแหละมันขึ้นบันไดเพระาะลูกตัง้งใจจะมาช่วยงานที่ศูนย์ไทเปทุกสุดสัปดาห์แม้จะต้องนั่งรถจากมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ทางภาคใต้ไปยังเมืองไทเปซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศก็ตามถือว่าหัวใจไม่ธรรมดาหรอกจากใต้ไปเหนือเนี่ย และความประทับใจในมโนปฏิธานะยิ่งใหญ่ขมูขณะวัตถารรมกายบวกกับความสงสัยในใจเราจึงอดใจไม่ไหวที่จะเขียนเคสตัดดีมากราบขอความเมตตาจากคุณครูไมใ่ใหญ่ได้ตอบปัญหาต่งตางๆในแจงลูกดังต่อไปนี้ครับคําถามบุพกรรมใดคุณพ่อจึงประสบกับความยากลําบากตั้งแต่เล็กๆไปหลังท่านเริ่มครอบครรานและเล่นการานั้นทําอย่างไรคุณพ่อจึงจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งพวงได้ครับ อาชีพรับเลี้ยงเด็กของคุณแม่จะได้บุญหรือไม่เด็กเรานั้นมีบุญร่วมกันกับคุณแม่ใช่หรือไม่ครับและการเปิดกของคุณแม่ที่มีการปวดบวมแดงไปทั้งตัวเกิดจากวิบากกรรมอะไรจะมีโอกาสจะหายหรือไม่และแก้ไขอย่างไรครับคุณพ่อคุณแม่พิชยัยน้องชางและลูกอ้สร้างบุรมีมากมุคณะหรือไม่อย่างไรครับ คุณอาได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตกับพระศีอาริยะเมตรัยดังความฝันของลูกสาของคุณอาจริงหรือไม่ครับจะให้ตอบหรือเปล่าตอ บ, ตอบถ้าไม่จริงคุณอามีประโลกเป็นอย่างไรคือตัวคนถามก็ชั ก, ส, กสงสัยมิเงนต้องทำบุญอย่างไรจรึงจะช่วยคุณอาได้เพราะฟังมาหลายเค ส, ส เป็นนักเรียนด้วยบาลนี้โอ้แต่ละคำถามนี่ไม่ธรรมดานะนี่เราฟังต่อไปสิพูดนับถือและที่อีกุ้นเต้ากับชาวพุทธมีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปอยู่กับพระศรีอริยะเมตไตรเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนี่ตอบยังไงไม่ให้เขางุหยิดเนี่ยแล้วก็ตั้งได้ประโยชน์ด้วยดียดต้องช่วยกันคิดแล้วแหละ เราจะตอบกันอย่างไรถ้าเข้ามีบุญมากพอความปรฒนาที่จะไปอยู่กับพระองค์จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรครับยังไม่จ บ, บอีกคาถามหนึ่งนี่ต้องชวกันตอบนะบจะไปชนกันสะบั้นแหลงแรงเลยแดนสุขาวดีตามความเชื่อ ข, ของชามหา ย, ยานมีจริงหรือไม่มถ้ามีจริงอยู่ที่ใดชาวพุทธพูตามความปรารถนาไปยังแดนสุขาวดีเหล่านั้น เมื่อละโลกแล้วจะไปได้จริงหรือไม่โชดกันเลยเลยถ้าไม่มีจริงถ้าเหล่านั้นจะไปอยู่กันที่ใดนี่เลยจ้ะลองมาเป็นครูไม่ใหญ่ดูเถิดแล้วมานั่งตอบคำถามเนี่ยยังยงอีกคาถามหนึ่งฟังท่านภิกษุนี้เจิจ้งเอียนและหมูคณะเป็นใครถ้าเหล่านั้นเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่ได้นำหมูขคณะท่รนมาสร้างบารมรีหรือไม่ครับ และปัจจุบันนี้มีพระโพธิสัตว์มุขคณะอื่นๆลงมาสร้างบารมีบ้างหรือไม่ครับนี่โชนนักก็ไปอีกอช่วยกันนะต้งช่วยกันตอบนะทําไมเพียงแค่ครั้งแรกที่ลูกได้เห็นรูปถ่ายท่านภิกษุณีเจิ้งเอี้ยนลูกจึงเกิดเอ่อเจิ้งเอี้ยนลูกจึงเกิดความประทับใจและตั้งใจที่ช่วยงานมูขคณะของท่านอย่างสุดชีวิตตังช่วยกันตอบได้จ้ะลูกได้ร่วมสร้างบุญกุศล มาเริ่มกับท่านหรือไม่อย่างไรแต่เหตุใดที่ลูกยังไม่มีความคิดที่จะอธิษฐานจิตสร้างบารมีเป็นหมูก่กับหมู่คณะของฉื่อยจี้ครับศรัทธาในเริ่มต้นแต่ก็ไม่ถึงกับในระดับที่จะตั้งความปรารถนาจะไปด้วยนี่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่อือันนี้ตอบได้ถ้าเคยลูกได้ทําหน้าที่ใดในกองทัพล้างถ้วยล้างชาม <c oughs> ทำไมลูกต้องไปเกิดเป็นชาวต่างชาติแล้วได้เจอมงคล น, หนาหลังจากเจอมูคล น, นาของชือจี้ก่อนครับออืช่วยกันนะช่วยกันต้องช่วยกันตอบลูกมีความสัมพันธ์ในอดีตชาติเป็นอย่งางไรกับราจาและพี่ผู้ประสานงานที่คอยนันธรรมะและแก้ไขปัญหาข้อข้องใจต่างๆให้ลูกท่านทั้งสองในอดีตชาติมีหน้าที่ใดในกองทัพธรรมอืม ขอเกี่ยวด้วยมีผลการปฏิบัติธรรมเช่นไรจะได้ลงมาสร้างบา ร, รมีในรอบสองหรือไม่อย่างไรครับ <นะ S 1> อความปรารถนาลูกที่จะช่วยครูพี่ใหญ่และหมู่คณะเผยแผ่วิชาธรรมการไปทั่วโลกจะสําเร็จหรือไม่และลูกควรจะปรับลงแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนไหนเพื่อที่จะให้ได้สร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะอย่างตลอดรอดฟังครับลูกและเจ้าหน้าที่ที่รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาต่งตางๆทั่วโลกจะได้รับผลบุญ เหมือนกันกับเจ้าหน้าที่ทีว่าต์หรือไม่อย่างไรและผู้รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาจะได้บุญพิเศษเฉพาะศูนย์สาขาหรือไม่อย่างไรครับจำเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะจำได้หลับตาฝันเปตุเนตาเตินขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามรากันจา คุณพ่อประสบความลำบากตั้งแต่อย่างเล็กพระแนอดีตพ่อทำทานมาน้อยไไม่ใช่เราเราฟังมาตั้ง800รกว่าเคสอันนี้ทั้งนั้นเลยอีกทั้งได้ครบคนพานจึงมีเชื้อผานติดมณินนชาตินี้ที่ต่อมาทำให้ท่านเริ่มครบคนพานและเล่นการพนันจะ้ะไอ้ตอนนี้ลูกทำได้แค่ให้ระลึกนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาทุกบุญ แล้ติดฐานจิตที่บนนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมคบคนพานให้เบาบางลงเพื่อใจจนกว่าใจท่านจะเปิดตอนนี้คงทำอย่างนี้ได้แค่นี้ไปก่อนเมื่อใจท่านเปิดแล้วก็ค่อยๆชักชวในให้ท่านมาอยู่ในหมู่ของกัลยะาณมิตรในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็แนะนาให้ท่านทำสมาธิเช่นเดียวกับตัวโลก เมื่อใจท่านเ็ถึงสมาธิแล้วท่านก็นจะเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีกาลังใจหกักดิบเลิกสิ่งเหล่านั้นจ้อาชีพรับเลี้ยงเด็กของคุณแม่จะเลี้ยงเพียงแต่เป็นอาชีพก็ไม่ได้เป็นบุญแต่จะเลี้ยงด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยความเมตตารักเด็กดูแลเด็กอย่างดีเหมือนลูกตัวเอง จึงจะทําให้ได้บุญด้วยบุญนี้ก็จะส่งผลให้พบชาติต่อไปก็จะมีคนมาเลี้ยงดูด้วยจิตที่เมตตาเหมือนกันเด็กที่ท่านรับเลี้ยงดูนั้นก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันเป็นหลักในปัจจุบันที่ท่านจะต้องทํามาหากินเป็นอาชีพของท่านมีบางคนที่เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตบ้างจ้ะในหมู่เด็กเหล่านั้นมีบ้าง อาการปวดของคุณแม่ที่ปวดบวมแดงไปทั้งตัวเพราะใน่ดีท่านในน้าสัตว์เป็นเป็นมา ป, ปิ้งต้มย่างเป็นอาหารเป็นประจําสัตว์เป็นเป็นมา ป, ปิ้งต้มย่างนะจ๊ะรวมกับวิจีกรรมที่ชอบพูดให้คนเจ็บแสบมารวมส่งผลจ้ะใครเคยพูดบ้างจะแก้ไขก็ต้องให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน พูดแต่ปิยะวาจาวาจาที่ไพเราะเรื่องจริงและมีประโยชน์แล้วมันสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากมากหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะถ้าเ้าถึงพระภายในแล้วก็หายเลยแหละอาการเหล่านี้ไปตัดวิบากกรรมคุณพ่อกัณแม่พี่ชายและน้องชายก็เคยสร้างบรงมีกมุกขณะมาบ้าง ไม่สม่ำเสมอจึงทําให้หลุดออกจากหมกขะ น, นาไปบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอมาเจอกันแล้วมาเจอกันก็นจะทําหน้าที่เวลาไม่เจอกับโมกขะ น, นาจะทําหน้าที่กองสเสบียงจ้ะคุณอาตายแล้วไปอยู่กับพระศรีอาหรือเปล่าจ๊ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปอยู่ที่ ไปอยู่ที่มหานรกขุมหาถูกต้องจ้ะโดยกรรดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยบาลกรอกน้ำกดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรกนี้อีกยาวนานนานหพล้านล้านปีมนุษย์แล้วจึงจะไปโน่นไปอุธานรกไปยมโลกอีกยาวนานไม่อาจรับบุญได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ให้ทําบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆบ่อยๆเพราะบุญที่อุทิศนี้จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกพอท่านพ้นจากมหารกมาอยู่ยมโลกแล้วก็จะได้รับบุญนี้จ้า<อ>ดังนั้นท่านจึงไม่ได้ไปสวรรค์ดังที่เข้าใจ<อ>และที่ฝันหนึงท่านก็เป็นด้วยจิตนิวรณ์ที่มีความระลึกนึกถึงท่านตอนนั้นแหละจ้า จะไปช่วยท่านได้ก็ต้องเข้าถึงธรรมกายแบบคุณยายอาจารย์นั่นแหละ oh. เข้าถึงธรรมกายในตัว oh. แล้วก็ต้องให้ละเอียดแบบที่คุณยายอาจารย์นั่นแหละจึงจะไปช่วยได้ร oh. าการไปในมหานรกก็ไม่ธรรมดานะ oh. ที่จะไปช่วยใครเนี่ย oh. มันมีวิธี oh. คือจะเล็งดูเหมือนส่องกล้องส่องทางไกลดูก็ได้ oh. หรือเราจะซูมดึงเข้า ม, มาก็ได้ oh. หรือจะลงไปเลยก็ได้ oh. แต่ถ้าไปด้วยธรรมกายนีไฟนรกมันจะดับนะ oh. ทันเรลมาลหลุด oh. จะหลุดหมด oh. นี่น่าศึกษาแต่ถ้าหากว่ไม่ได้ไปด้วยธรรมกายเอากายต่างๆมาซ่อนกันอีกแบบนะมัน oh. มีหลายหลายแบบทีเดียว oh. แบบนี้ไฟนรกจะไม่ดับ oh. นี่มันมันขึ้นอยู่ตรงนี้ ต้องน่าศึกษานะวิชาธรรมกายน่าศึกษาทีเดียววิชาอื่นเรียนไป ก, ก่อนงั้นนั่น เ, นเรียแก้ธรรมะกินเนี่ยพูดถือละทิอีกวนเตา้ากระชาพุทธที่มีความปรารถนาต้องช่วยกันเชียร์ครูผู้ใหญ่น ะ, ะพูดถือละทิอีกวนเต้ากับชาพุทธที่มีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปอยู่กับพระศรีอริยเมตไตรนั้น ต้องทำความเข้าใจกันก่อนที่จะตอ บ, บอเพราะก็ถือว่าพร ะ, ะพระสีอริยมิตรคือพระผพุทธเจ้าที่สั่งองค์นั้นองค์นี้มาอย่างนั้นเนี่ยทุกศาสดามาระวังนะชาวพุทธที่ยังใจเย็นพอเนะ่ยแต่เช้าไม่พุทธนี่ไปเขารู้เรื่องเนงะินเดียวนะไอ้เรียรีพะเอานะ่ะต้องทำความเข้าใจว่า เราศึกษากันได้ใช่พระสีอริยเมตไตรในความหมายของพระสัมมาสูตรเจ้าองค์ปัจจุบันที่ท่านดับขันธะปรินิพานไปแล้วนั้นเอาตรงนี้กับนักคิดอันหนึ่งนะแต่นี่นักวิคิดท่านรู้แจ้งแจ้งแทงตลอดพ้นจากทุกข์ไปแล้วหลุดพ้นจากกิเลสอสุภะไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนนั้นเพื่อเกื้อกูลต่อเพื่อมนุษย์ไม่เพื่อผลประโยชน์อะไรแต่เพื่อคุณนประโยชน์กิตตประโยชน์แก่ มนุษย์เทวดาทั้งหลายพระเสี้ยวรยะเมตรไตรในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจปจุบันที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้นหมายถึงพระบรมโพธิสัตว์ที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปในพุทธันดอนครั้งหน้า oh. นี่ <Okay. S 1> หมายถึงพระบรมโพธิสัตว์ที่ยังสร้างบา ร, รมีอยู่นะ <Okay. S 1> แต่วบารามีเต็มเปี่ยมแล้วรอคอยแต่วันตัดสรู้เท่านั้นแหละ ที่ยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะยังเป็นพระรมโพธิสัตว์อยู่แต่ในพุทธันดอนข้างหน้าแหะท่านถึงจะลงมาตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้ท่านอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิต h, <ฆ>เขตนิยตะโพธิสัตว์จ้ะอยู่ในเขตนิยตะโพธิสัตย์ที่ได้รับพุทธบุญ ก, ก่อนและบรารมีเต็มเปี่ยมแล้วรอคอยอยู่ถ้าไม่ได้เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยอยู่ในเขตกานิยะตะโพธิสัตย์ เพราะฉะนั้นขนาดผู้ปกครองชั้นดุสิตยังสั่งใครยังไม่ได้เลยท่านไม่ใช่เป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดที่จะทรงสาสดาใดๆมาโปรดมนุษย์ในโลกตามความเชื่อของเทวานิยมแล้วสวรรค์ชั้นดุสิตก็ไม่ใช่ที่สุดของการเวียนว่ายแต่เกิดจะนี่พึงศึกษาตรงนี้ให้ดีซะก่อนแล้วไปเทียบเคียงเอาแต่ผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะไปอยู่กับท่านบนชั้นดุสิตหรือไป จะไปเกิดในยุคของท่านในพุธทธันดรหน้านั้นตามทานไหมจ๊ะอยากจะไปอยู่กับท่านบนชั้นเดือิษหรืออยากจะไปเกิดในยุคท่านเพื่อฟังธรรมจากท่านในพุธทธันดอนหน้ า, านั้นจะต้องสร้างบารมีอย่าง ก, กล้านกล้าทั้งทานศีลภาวน า, นานเป็นต้นแล้วก็บารมีสิบทัศดกด็ดีและบุญญากริยา ว, วัตถุสิบก็ดีเนี่ยแล้วก็ต้องทําความเห็นนี้ถูกต้องอย่างดังกล่าวนี้นะจ๊ะ ท่างทำความเห็นหถูกต้องไอตอนนี้ท่านเป็นแค่บรมโพธิสัตว์แต่บารมีเต็มเปี่ยมอยู่ในเขตนิยต่าโพิสัตว์ของสวรสดิ์เจ้นดุสิตแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตที่มันเอาใจในผูกพันไว้กับท่านาเราจะอขอให้เราได้ด้วยอนุภาพแบบนี้ขอให้เราได้ไปเจอศรีอริยเมตไตรได้ฟังธรรมจากท่านในยุคหน้าหรือเราขอให้เราได้ไปอยู่กับท่านที่บนสวรรคิ์เจ้าดุสิตอะไรต่างๆเหล่านั้น แต่นิยตะโพธิสัตว์นี่ก็ส่วนนิยตะนั้นเราไม่ได้ตงนั้นนี่มันอีกเรื่องนะอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้จ้านี่หลักวิชาเป็นอย่างนี้แดนสุขาวดีตามความเชื่อของชามหายานนั้นก็เป็นความเชื่อที่ยังไม่สมบูรณ์แม้จะปรารบเหตุนี้เพื่อทำความดีก็ตามแม้จะปรารบเหตุก็จะไปอยู่แดนสุขาวดีแล้วเราก็ ใหทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือส่งเคราะห์โลกอะไรต่างๆแบบนั้นนะจ๊ะก็ตามเพราะตามคําสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเราจะไปเอาหนักคิดที่ยังมีกิเลสคิดไม่ได้เพราะความรู้หรือดวงวิญญาณเขายังไม่สมบูรณ์คําสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยได้กล่าวถึงแดนสุขาวดีแดนสุขาวดีนี่เพิ่งจะมีมาในยุคหลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านดับขันธปณิพนิพานไปแล้ว ความคิดตรงนี้ความเชื่อตรงนี้จึงเกิดขึ้นแล้วถ้าให้ดีสึกจะให้หายสงสัยก็จะต้องลงมือทำสมาธิหายใจหยุดนิ่งจนเข้าถึงพระตัตนตรัยภายในจึงจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองว่ามีจริงหรือไม่จริงจ้ะนีะ่หมดไปสองอันแล้วเนอท่านภิกษุนีเจ้างเอียนละหมูคณนะ กำลังเก่ามาชนกันแล้ก็เป็นนักสร้างบรมีคณะหนึ่งที่มีอัธยาศัยเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จ้านี่เราไม่ต้องชนกันเราไปด้วยกันได้คือเป็นผู้ให้คณะหนึ่งที่มีจิตใจงดงามอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จ้าส่วนความหมายของคําว่าพระโพธิสัตว์เราต้องยึดหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านจัสรุปโดยพระองค์เองแล้วท่านตรัสว่าคือผู้ที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละองค์หนึ่งในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็จะบำเพ็ญบารมี30สทัศทามบารมีศีลบารมีเนี่ยมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอาจารทั้งอุปบารมีและปรมัตตบารมี ทั้งด้วยชีวิตเลยได้ซับเอวัวว่าชีวิตแล้วก็จะต้องผ่านการพยากรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์คก่อนอีกหลายพระองค์และผู้ที่จะได้รับพยากรได้รับพุทธพยากรจะต้องเป็นนิยตะโพธิสัตว์และก็สำคัญที่สุดคือต้องเป็นผู้ชายจ้ะผู้ชายเท่านั้นจึงจะได้ชื่อเป็นพระโพธิสัตว์นี่ นี่อาจารความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดั้งเดิมนะแต่ถ้าความหมายใหม่นะจะตั้งอะไรก็เอาเธอตามสะดวกอาจารย์แต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องยึดหลักคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักต้องคําสอนดั้งเดิมด้วยเหตุนี้แหละครูผู้ใหญ่จึงปรารถนาะเลือกเกินว่าเรามารรวมกันเถิดพุทธบุตรที่รักทั้งหลายเนี่ยเราลืมไปชัว่วคราวว่าเร า, เรามีนิกายแตกต่างกันแล้วเรามาสแสวงหาความเหมือน ที่อยู่ในความต่างอยู่ภายในตัวเราก่อนพอเราพบความเหมือนที่อยู่ในตัวเหมือนกันแล้วแล้วก็ม า, าศึกษาคําสอนนั่งเดิมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเอาคําสอนนั้นมารวมกันปฏิบัติมันจะได้เป็นอนิทธิทางเดียวกันจ้ะดีไหมจ๊ะดีครับเพียงครั้งแรกที่ลูกเห็นรูปถ่ายพระสูนีเจิ้งเอี้ยนแล้วประทับใจจนเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยหมู่คณะท่านยนต์สุดชีวิต พระลูกมีอัจยาศยยเป็นนักสร้างบารมีติดข้ามชาติมาจ้ะเมื่อมาเจอผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติก็ถูกใจจึงเกิดความคิดที่จะอุทิศตนจ้ะถูกใจเพราะเห็นมนโนปริฐานปฏิปทาข้อบัดปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นแล้วเออป็นนักเสียสละถูกใจแต่เนื่องจากในอดีต ลูกนะไม่ค่อยได้สร้างบุญกับท่านมานไม่ค่อยได้สร้างกับท่านมาเพิ่งมาทำเนี่ยจริงไม่ได้คิดที่จะติดตามอมู่คณะท่านไปแต่น่าจะเป็นเพียงความคิดที่ดีในปัจจุบันเท่านั้นที่เห็นคนดีตั้งใจทำความดีเพื่อมวลมนุษยชาติจ้ะ mm hmm. เป็นพระอธิยศัยตรงกันพูดง่ายๆคือช่วงที่ผ่านมานั้นเน่ แค่เป็นที่พักกลางทางของลูกก่อนเจอหมู่คณะจ้าเมื่อพุทธนรนที่ผ่านมาได้เป็นคนละบุตรในตระกู ล, ล่ำรวยชั้นสูงไฮโซคนละ บ, บุตรไฮโซได้มาฟังทมแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนได้ออกบวชกับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิต มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วก็ประคองตัวกลับดุสิตบรีวงบุญพิเศษได้แต่ว่าในช่วงแรกของการบวชนั้นเนื่องจากมาจากตระกูลสูงจึงมีทิฐิมานะมากทำให้บางครั้งไม่ได้รับการตักเตือนจากพระอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกมักจะไม่ค่อยจะเชื่อฟัง แต่ภายหลังก็กลับตัวได้โดยกรรมนี้ยึงทำให้พลัดไปเกิดในครอบครัวที่ลำบากไม่ได้เกิดในตระกูลสูงร่ำรวยเหมือนเก่าอย่างนี้ละจ้าเอ๋แม่มีมานาทิฐีนะไม่ดีจ้ะไม่ดีตั้งแต่ชาตินี้ก็ให้แก้ไขด้วยการอ่อนน้อมทมตัวว่า ง, ง่ายจะได้มีทิถีมานาเหมือนชาติพานมาในช่วงแรกของการบวชดังกล่าวนะจ๊ะ ส่วนการเป็นคนต่างชาติกับเราตั้งความปรารถนาเอาไว้พระคอได้นำธรรมะเผยแผ่ทั่วโลกจ้านี่เป็นความปรารถนาไว้ลูกกับพระอาจารย์รับพี่ผู้ประสาน ง, งานที่คอยนำธรรมะและแก้ไขปัญหาข้อ ข, ขัดข้องใจต่างๆให้ลูกนั้นทนั้งสองได้เป็นพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่คอยเป็นกำลังวิทยให้ลูกเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้ทาทั้งสองมีหน้าที่เผยแผ่และบวชจนตลอดชีวิต ได้กล่าวถึงพระธรรมกายด้วยกันนั่งคู่แล้วคองตัวกับดุสิตบุรีวงบนพิเศ ษ, ษ, ษได้แล้วก็ได้เรามาสร้างบารมีรอบสองทั้งสองท่านละจ้ า, าความปรารถนาของลูกที่จะช่วยงานเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกก็จะสมปรารถนาแต่ลูกจะต้องเป็นคนอ่อนน้อมทำตนวางง่ายแล้วก็ให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันสังสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆ แล้วก็ตั้งใจมั่นที่จะทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์นะจ๊ะลูกและเจ้าหน้าที่ที่รับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่วัดก็ตามถ้าหากตั้งใจสร้างบุญอย่างเต็มที่<า>ก็จะได้รับผลบุญเหมือนกันก็าหากไม่ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่หรือสร้างอย่างเต็มที อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้บุญเต็มที่จะได้บุญเต็มทีไมื่เงินนะจ๊ะมันขึ้นอยู่การกระทําชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุเรมีใเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฉานติดตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตวัดลำโพธิสัตย์จะได้พลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเค่สดีสั้นๆนะจ๊ะ